ธมบทแปลเรื่องที่193เรื่องสุพัทธปริพาชกข้อความเบื้องต้นพระสัสดาพระธมแล้วบนพระแท่นเป็นที่ปรินิพานในสาลาวันของเจ้ามัลละทั้งหลายอันเป็นที่แวะพักใกล้พระนครกุสินาราทรงปรารบปริพาชกชื่อว่าสุพัทธะ ตรัสพระธรรมเทศนานิว่าอากาเซวะประดังนัตถิเป็นต้นตอนบุพกรรมของสุพัทธได้ยินว่าในอดีตการสุพัทธปริพาชคนั้นเมื่อน้องชายให้ทานอันเลิศถึงก้าครั้งในเพราะข้าวกล้ากครั้งหนึ่งไม่ปรารบเพื่อจะให้ท้อถอยแล้วได้ให้ในการเป็นที่สุด เพราะฉะนั้นจึงไม่ได้เพื่อจะเฝ้าพระศัสดาทั้งในปฐมโพธิการทั้งในมัชชิมโพธิการแต่ว่าในปัชชิมโพธิการในเวลาเป็นที่ปริญพานแห่งพระศัสดากิดว่าเราถามความสงสัยของตนในปัญหาสามข้อกับปริภาชกทั้งหลายซึ่งเป็นคนแก่ไม่ถามกับพระสมณาโคโดมด้วยความสาคัญว่าเป็นเด็ก ก็บัฏนี้เป็นการปรินิพพานของพระสมณโคดมนั้นวิปฏิสารคือความเดือดร้อนเพิ่งเพื่งเกิดแก่เราในภายหลังพระเหตุไม่ถามพระสมณโคดมแล้วเข้าไปเฝ้าพระศ า, าสดาแม้ถูกพระอาณนเถระห้ามอยู่เข้าไปแล้วสู่ภายในม่านเพราะความที่พระศาสดาทรงกระทําโอกาสแล้วตรัสว่าอานน เธออยาห้ามสุภัท h a เลยสุภั tha จงถามปัญหากับเราจึงนั่งไกลข้างล่างเตียงทุนถามปัญหาเหล่านี้ว่าข้าแต่พระสมณพูเชิญชื่อว่ารอยเท้าในอากาศมีอยู่หรือหนอแลชื่อว่าสมณภายนอกแต่ศาสนานี้มีอยู่หรือสังขารทั้งหลายชื่อว่าเที่ยงมีอยู่หรือตอน พระศาสดาทรงแก้ปัญหาของสุภัทะลำดับนั้นพระศาสดาเมื่อจะตรัสบอกความไม่มีแห่งรอยเท้าในอากาศเป็นต้นเหล่านั้นแก่เขาจึงทรงแสดงธรรมด้วยพระคาถาเหล่านี้ว่าอากาเซวะปะดังนัตถิสมโนนัตถิบาหิโรปปปัญจาพิระตาปจานิปปปัญจตะทาคตา อากาเซวะปะดังนัตถิสมนโนนัตถิบาหิโรสั่งฆาราสัตสตานัตถินัตถิบุต ธ, ธานมินชิตังรอยเท้าในอากาศนั่นเทียวไม่มีสมณภาภายนอกไม่มีมูสัตเป็นผู้ยินดียิ่งแล้วในทำเครื่องเนิ่นช้าพระตถาคตทั้งหลายหาทำเครื่องเนิ่นช้ามีได้ รอยเท้าในอากาศนั่นเทียวไม่มีสมณภายนอกไม่มีสังขารทั้งหลายชื่อว่าเที่ยงไม่มีกิเลสชาติเครื่องหวั่นไหวไม่มีแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายตอนแก้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าประดังความว่าชื่อว่ารอยเท้าแห่งสัตว์ไรอันบุคคลพึงบัญญัติว่ามีรูปอย่างนี้ ด้วยสามารถแห่งสีและสันฐานในอากาศนี้ไม่มีบทว่าบาหิโรความว่าชื่อว่าสมณะผู้ดารงอยู่ในมัดและผลภายนอกแต่าศาสนาของเราไม่มีบทว่าปยาความว่ามูสัตว์กล่าวคือสัตว์โลกนี้ยินดียิ่งแล้วในธรรมเครื่องเนิ่นช้ามีตัณหาเป็นต้นเท่านั้น บทว่านิปปปัญจาความว่าส่วนพระตถาคตทั้งหลายเป็นผู้ชื่อว่าหาทำเครื่องเนิ่นช้ามิได้เพราะความที่พระองค์ตัดทำเครื่องเนิ่นช้าทั้งปวงได้ขาดแล้วที่ควงแห่งไม้โพนั่นแหละขันหชื่อว่าสังขารในขันห้าเหล่านั้นขันอันหนึ่งชื่อว่าเที่ยงไม่มีบทว่า อินชตังความว่าก่อชนทั้งหลายพึงถือเอาว่าสังขารทั้งหลายเป็นสภาพเที่ยงด้วยบรรดากิเลสชาติเครื่องวันไหวคือตัณหามานะและทิฏฐิอันใดแม้กิเลสชาติเครื่องวันไหวนั้นอันหนึ่งม่ได้มีแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายในเวลาจบเทศนาสุพัทธปริภาชกตั้งอยู่แล้วในอนาคามิผล พระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้วดังนี้แลเรื่องสุพัทธะปริภาชก